สองทำเป็นเหตุให้ยศเจริญพระพุทธภาษิตอุทธานวโตสติมโตสุจิกรมมัสนิสั ม, มการิโนสัญญตัสะจะธรรมชีวิโนอัปมตัสะยะโสวิวัวตติความว่ายศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความเพียรมีสติมีการงานสะอาด ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาเป็นผู้สำรวมมีชีวิตอันประกอบด้วยธรรมและไม่ประมาะทอธิบายความในที่นี้ได้ทรเจ็ประการอันเป็นเหตุให้ยศเจริญคือความเพียรสติการงานอันสะอาดการใคร่ครวรก่อนทาความสำรวมชีวิตอันประเสริฐจึงประกอบด้วยธรรมและความไม่ประมาท ความเพียร น, นั้นคือสภาพอันตรงกันข้ามกับความเกียจคร้านกล่าวคือความไม่ย่อท้อตกประสักในการทํางานในการประกอบการกุศลความกล้าในการประกอบกิจอันชอบให้รุ่งลวงไปด้วยดีมีความบากบันมั่นคงไม่ถอยหลังไม่ทอดทุระไม่เป็นคนอยู่เฉยโดยไม่ทํางานสติคือความรอบคอบและความระวังจะทําจะพูดอะไรก็คิดโดยรอบคอบก่อน ระวังเกรงความผิดพลาดเพราะความพลาดบางอย่างต้องใช้เวลาแก้นานจึงจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้การงานสะอาดนั้นคือการประกอบการงานอันสุจริตเว้นงานที่ทุจริตผิดกฎหมายและศิลธรรมทั้งปวงใคร้ครวรก่อนแล้วจึงทาคือไตรตรองด้วยดีว่าเมื่อทำอย่างนี้ผลอย่างไรจะเกิดขึ้นเว้นการกระทาอันจะกาหนวยผลเป็นทุกเสีย ประกอบกระทาแต่เฉพาะเหตุอันจะอำนวยผลเป็นสุขให้ความสำรวมนั้นคือความสำรวมอินทรีย์ทั้ง6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้ชีวิตอันประกอบด้วยธรรมคือมีชีวิตอยู่อย่างแนบสนิทกับธรรมไม่เหินห่างจากธรรมระลึกถึงธรรมอยู่เสมอ ได้พบได้เห็นอะไรก็นำเข้าไปหาธรรมเทียบกับธรรมหรือน้อมธรรมเข้ามาใส่ตนอยู่เสมอความไม่ประมาทได้อธิบายแล้วในข้อที่หนึ่งแห่งอัปปมาทวัคนี้โปรดดูในที่นั้นยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งเจ็ดประการนี้ยศนั้นท่านจำแนกว่ายสามคือ 1. อิสริยศยความเป็นใหญ่ 2. เกียรติยศความมีเกียริ มีคุณงามความดีมาก 3. บริวายดความเป็นผู้มีบริวารมากและบริวารดียศที่กล่าวถึงในทีน่นี้พระอัตถกถาจารย์ขยายความว่าได้แก่ 1. โภคสมบัติ 2. ความนับถือ 3. ความมีเกียรติและ 4. ความสรรเสริญเรื่องประกอบกุมภพระโคสกะ กุมภโคสกะเป็นบุตรเศรษฐีเบืองราชยฤมีทรัพย์40โกดวงเล็บเท่ากับ400ล้านคราวหนึ่งอหิวาตกะโรคระบาดหนักสัตว์เล็กๆตายก่อนต่อมาจึงถึงมนุษย์ในพวกมนุษย์พวกทาสและกรรมกรก็ตายก่อนเจ้าของบ้านตายทีหลังเมื่ออหิวาตกโรคจับเศรษฐีและภรรยาเขาทั้งสองมีหน้านองด้วยน้าตา มองดูบุตรซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆพรางกล่าวว่าลูกเอ๋ยการหนีโรคชนิดนี้ท่านว่าต้องพังฝาเรือนไปเจ้าจงทำอย่างนั้นเถิดอย่าได้ห่วงใยพ่อและแม่เลยเมื่อยังไม่ตายก็จงกลับมาขุดเอาทรัพย์ซึ่งพ่อและแม่ฝังไว้สีสิบโกดเลี้ยงชีพต่อไปเด็กน้อยเชื่อมารดาร้องให้ไว้ท่านทั้งสองแล้วพังฝาเรือนหนีไป ไปอยู่หน้าภูเขาลูกหนึ่งเป็นเวลาถึง12ปีจ mm ึงกลับมาเมื่อเขากลับมาใครๆก็จำเขาไม่ได้เพราะตอนไปยังเด็กกลับมาเมื big, ่อเป็นหนุ่มแล้วมีหนวดและเคราลุงรังเขาไปตรวจดูที่ฝังรั์เห็นอย่างเรียบร้อยดีทุกอย่างเขาคิดต่อไปว่าใครๆก็จำเราไม่ได้ถ้าเราขุดรัพย์ออกใช้สอยคนทั้งหลายก็จะประหลาดใจว่าคนเข็นใจนี้ไปเอารับมาจากที่ใด เขาจะพึงจับเราเบียดเบียนเราอยากระนั้นเลยเราเก็บทรัพย์ไว้อย่างเดิมก่อนแล้วไปรับจ้างทํางานเลี้ยงชีพดีกว่าตกลงใจดังนี้แล้วกุมพระโกศกะก็ออกหางานทําไปได้งานรับจ้างปลุกคนงานในที่แห่งหนึ่งหน้าที่ของเขาคือตื่นแต่เช้ามืดเที่ยวปลุกคนงานให้ลุกขึ้นเตรียมเกวียนหุงต้มข้าวสวยข้าวยาคูเป็นต้นเขาได้เรือนพักเล็กๆหลังหนึ่งอยู่คนเดียว รวมความว่ากลุ่มพระโคสกะไปได้งานเป็นแขกยามเขาได้ทำหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุดไม่บกพร่องไม่เคยนอนตื่นสายเช้าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้สดับเสียงของเขาธรรมดาพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้รู้เสียงสัตว์ทุกชนิดเมื่อทรงสดับเสียงกลุ่มพระโคสกะจึงตัดว่านั่นเป็นเสียงของคนมีทรัพย์มาก นางสนมคนหนึ่งยืนเฝ้าอยู่ณที่ใกล้คิดว่าพระราชาคงมิตัดอะไรเหลวไหลเป็นแน่จึงรับสั่งคนผู้หนึ่งให้ไปสืบดูแต่ความจริงกลับปรากฏว่าเป็นเสียงของชายเข็นใจคนหนึ่งรับจ้างเป็นแขกยามคอยปลุกคนให้ตื่นขึ้นทำงานพระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วก็ทรงเฉยเสียในวันที่สองและวันที่สมเมื่อทรงสดับเสียงของกลุ่มพระโคสกะก็ตัดเช่นนั้นอีก นางสนมคิดว่าพระราชาไม่เคยตัดอะไรเหลวไหลเลยจะต้องมีอะไรลี้ลับอยู่เป็นแน่จึงทูลพระราชาว่าหากข้าพระองค์ได้ทรัพย์สักพันหนึ่งข้าพระองค์จะไปทำอุบายเอาทรัพย์จากชายผู้นั้นมาสู่ราชสกุลให้จงได้พระราชาพิมพิสาลพระราชาทานทรัพย์พันหนึ่งให้นางสนมนางและลูกสาวแกล้งแต่งตัวปนๆปทำทีเป็นคนยากจนไปยังถนน อันเป็นที่อยู่ของพวกคนรับจ้างเข้าไปขอพักอาศัยในเรือนหลังหนึ่งแต่เจ้าของบ้านปฏิเสธว่ามีคนอยู่มากแล้วให้ไปขออาศัยกลุ่มพระโคสกะซึ่งอยู่คนเดียวนางสนมได้ไปขออาศัยอยู่กับบ้านกลุ่มพระโคสกะเขาปฏิเสธหลายครั้งแต่นางก็อ้อนวอนจนได้กลุ่มพระโสกะยอมให้พักอย่างเสียไม่ได้ วันรุ่งขึ้นเมื่อกุมภะโคสกะจะออกไปทำงานนอกบ้านนางได้ขอค่าอาหารไว้สำหรับทำอาหารให้ไม่ต้องก็ได้ฉันทำกินเองก็ได้ฉันทำกินของฉันเองมาตลอดกุมภะโคสกะบอกปัดแต่เธออ้อนวอนเอาจนได้แต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์ของกุมภะโคสกะไปซื้อหาอะไรเพียงสักด์แต่ว่ารับไว้เท่านั้น นางได้ไปซื้อข้าวสารอย่างดีเครื่องครัวและอาหารอย่างดีมาปรุงอาหารให้อร่อยอย่างชาววังอาหารนั้นมีรสเลิศควรแก่พระราชาเสเวยเมื่อกุมพะโคสกะกลับมาได้ลิ้มรสอาหารเช่นนั้นก็ชื่นชมเบิกบานนางรู้อาการนั้นแล้วจึงขอพักต่อไปคราวนี้กุมพะโกสกะอนุญาตด้วยความพอใจนางได้หุงต้มอย่างดีให้กุมพะโคสกะและขอพักอาศัยยืดเยือ้อเรื่อยมา นางวางอุบายเพื่อให้กุมพระโคสกะตกหลุมรักกับบุตรีของตนจึงแอบตัดเชือกเตียงของกุมพระโคสกะวงลิฟเตียงโครงไม้ถักด้วยเชือกจนเขานอนไม่ได้เมื่อกุมพระโคสกะถามก็บอกว่าพวกเด็กเข้ามาเล่นจนเตียงขาดเมื่อกรมพระโคสกะบอกว่าเขาไม่มีที่นอนแล้วจะทำอย่างไรนางจึงให้ไปนอนกับบุตรีของตน ทั้งสองได้สังวาสกันตั้งแต่คืนนั้นกุมารีร้องไห้ร้องไห้ทำไมจ๊ะหนูผู้เป็นแม่ถามกรรมอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วค่ะแม่กุมารีบอกช่างเธอลูกเจ้าทั้งสองเหมาะสมกันดีแล้วกุมภะโคสกะมีเมียเพราะเชื่อกเตียงขาดแท้ๆต่อมาอีกสองสามวันนางสนมสงสารไปถึงพระราชาว่าขอให้มีพระบรมราชองค์การ ให้จัดการมโหสพในย่านถนนพวกรับจ้างทํางานคนใดไม่จัดทํามโหสพในเรือนคนนั้นจะต้องถูกปรับพระราชาทรงมีพระบรรมมราชโองการอย่างนั้นนางจึงพูดกับกุมภะโคสกะว่าพระราชารับสั่งให้มีมโหสพทุกบ้านเรือนใครไม่ทําจะถูกปรับพวกเราจะต้องทําตามพระบรรมมราชโองการขัดขืนไม่ได้ กุมพระโคสกะบอกแม่ยายว่าเขาทำงานรับจ้างก็เพียงได้อาหารรับประทานเพียงมื้อเท่านั้นจะเอาเงินที่ไหนมาจากงานมหาสศแม่ยายบอกว่าลูกเอ๋ยธรรมดาผู้อยู่ของเรือนต้องเป็นหนี้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าไม่มีก็ไปยืมใครมาก่อนสชยนี้เขาทีหลังก็ได้ไปเถอะไปยืมมาสักหนึ่งกหาปณะนะหรือสองกหาปณ ะ, ะก็พอ กุมพระโคสกะติเตียนแม่ยายพึมพำพรางออกจากบ้านไปนำกหาปณ ะ, ะที่ฝังไว้มาหนึ่งกหาปณ ะ, ะแล้วมอบให้แม่ยายนางได้แอบส่งกหาปณ ะ, ะนั้นไปถวายพระราชาพอล่วงไปสองสามวันนางก็ให้พระราชารับสั่งให้มีมหโหสถอีกกุมพระโคสกะต้องไปนำกหาปณ ะ, ะมาหนึ่งกหาปณ ะ, ะอีกนางได้ส่งกหาปณ ะ, ะนั้นไปถวายพระราชาเช่นเคย ต่อมาอีกสองสามวันนางได้ส่งข่าวไปขอให้พระราชาส่งคนมารับกลุ่มพระโคสกะเข้าไปในพระราชนิเวศพระราชาได้ส่งราชบุตรมาแล้วพวกราชบุตรมาที่ถนนอันเป็นที่อาศัยอยู่ของพวกคนรับจ้างถามหากุมพระโคสกะเมื่อพบตัวแล้วจึงบอกว่ามาเถิดนายมากับเราพระราชารับสั่งให้นายเข้าเฝ้า กุมพระโคสกะไม่ปรารถนาจะไปบอกว่าพระราชาไม่เคยรู้จักตัวเขาเรื่องอะไรจึงรับสั่งให้เข้าเฝ้าเมื่อไม่ยอมไปโดยดีพวกราชบุรุษก็สุดไปโดยพระลักาานางสนมเห็นดังนั้นจึงทำทีเป็นขู่ตะคอกราชบุรุษว่าพวกนี้ไม่มีบารยญาตไม่สมควรสุดบุตรเขยของตนอย่างนั้นแล้วหันมาปลอบกรมพระโคสกะว่า ไปเถิดลูกเมื่อถึงพระราชวังแล้วแม่จะกราบทูลพระราชาให้ตัดมือตัดเท้าขนพวกนี้ให้นางได้รีบพาบุตรีล่องหน้าไปก่อนเมื่อถึงพระราชวังก็รีบเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสใม่แต่งแบบชาววังยืนเฝ้าพระราชาอยู่ณนะส่วนหนึ่งอันเหมาะสมแก่ตนกลุ่มพระโคสกัดถูกฉุดกระชากลากถกูมาเฝ้าพระราชาจนได้พระราชาชาตัดถามว่า เจ้าชื่อกุมภโฆสกะหรือพยาค่ะข้าพพุทธเจ้าชื่อกุมภโฆสกะทำไมเจ้าจึงปกปิดทรัพย์เป็นอันมากไว้ข้าพพุทธเจ้าไม่มีทรัพย์พยาค่ะข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างเจ้าอย่าลวงเรากุมภโฆสกะเรารู้ว่าเจ้ามีทรัพย์เสียงของเจ้าบอกข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนไม่มีทรัพย์พระเจ้าข้า นี่กะหาปณะของใครพระราชาตัดพรางชูกะหาปณะให้ดูกลุ่มภาคโคสกะจำกะหาปณะของเขาได้ตกใจคิดว่ากะหาปณะนี้มาถึงพระหัตถ์ของพระราชาได้อย่างไรหนอมองดูทางโน้นทางนี้จึงได้เห็นหญิงทั้งสองแต่งกายสวยงามอย่างชาววังยืนเฝ้าอยู่ริมพระทวารห้องเขาจึงเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดพระราชาตัถามต่อไปว่า พูดไปเถอะกุมภะโคสกะทำไมเจ้าจึงทำอย่างนี้ทำไมเจ้าจึงปกปิดทรัพย์เป็นอันมากเอาไว้กุมภะโคสกะเล่าความคิดของตนให้พระราชาทรงทราบโดยตลอดแล้วสรุปว่าเพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งจึงปกปิดทรั์ไว้ก็คนอย่างเราไม่ควรเป็นที่พึ่งของเจ้าหรือควรพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นซั์ของเจ้ามีเท่าไหร่มีสี่สบโกดพระเจ้าข้า ควรเอาอะไรไปขนมาเกวียนพระเจ้าค่าพระราชารับสั่งให้เอาเกวียนไปขนทรัพย์ของเขามากองไว้หน้าพระลานหลวงรับสั่งให้คนในเมืองราชครึมาประชุมกันแล้วตัดถามว่าในเมืองนี้ใครมีทรัพย์เท่านี้บ้างไม่มีเลยพระเจ้าข่าราษฎรทูลควรทำอย่างไรกับกุมภะโคสกัควรยกย่องเขาพระเจ้าข่าพระราชาทรงแต่งตั้งตำแหน่งเศรษฐีให้กุมภะโคสกะ พระราชทานบุตรีของนางสนมนั้นให้เป็นภรรยาแล้วเสด็จไปสำนักพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยกลุ่มพระโคสกะนั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือกลุมพระโฆสกะเศรษฐีคนใหม่ของข้าพระองค์คนมีปัญญาอย่างนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยมีรั์ถึง40โกดก็ไม่มีอาการเย่ยยิง และอวดตนไม่มีความถ่านงตัวทําตนประดุดคนเข็นใจนุ่งห่มผ้าเก่าๆทํางานรับจ้างอยู่ที่ถนนอันเป็นที่อาศัยอยู่ของพวกคนรับจ้างแลแล้วพระราชาทรงเล่าเรื่องทั้งปวงถวายให้พระศาสดาทรงทราบสรุปลงว่าคนมีปัญญาเห็นป่านนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นพระศาสดาตรัสว่ามหาบอ่อพิษ ชีวิตของคนผู้เป็นอยู่อย่างกุมภะโคสกะชื่อว่าประกอบด้วยธรรมมีความสุขความเจริญเป็นผลส่วนโจรกรรมเป็นต้นเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบีบคั้นย่อมมีความทุกข์เป็นผลในคราวเสื่อมทรัพย์การประกอบอาชีพเส้นทำรรนาและรับจ้างชื่อว่าเป็นการกระทำอันประกอบด้วยธรรมความเป็นใหญ่วงเล็บคือยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียร บริบูรณ์ด้วยสติมีการงานบริสุทธิ์ใครครวนด้วยปัญญาแล้วจึงธทรรมสำรวมระวังกายวาจาใจด้วยดีเลี้ยงชีวิตโดยธรรมไม่ประมาทดังนี้แล้วตัดย้ำพระพุทธ ภ, ภาษิตว่าอัฏฐานวโตสติมโตเป็นต้นดังที่ได้อธิบายมาแล้วแต่ตอนต้น อิยังธรรมกะถาสาทายสมันเตหิสันลเคต a ปาติ ด้วยความไม่ประมาทหรือความประมาทคนประมาทแล้วมันคนตายแล้วคนไม่ประมาทเนี่ยเมื่อตายตายแล้วก็เหมือนยังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือเป็นพุทธภาสิตนี่ก็มีความหมายลึกนะมันจะเป็นความหมายต่ามภาษาโลกภา ษ, าษาธรรมดา เกี่ยวข้องกับการประพฤติด้วยดังคนที่ประพฤติสุจริตธรรมอยู่ด้วยธรรมประกอบด้วยคุณธรรมแม้จะมีชีวิตยอยู่น้อยก็ชื่อว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมประเสริฐพอไม่ได้สร้างทุกข์ให้แก่ตนและผู้อื่นก็ ค่อนข้างชัดเจนเนาะอุปมาอุปไมยเนี่ยในเรื่องจริงเรื่องที่ท่านยกขึ้นมานี่ครับท่านย่อความถากยายความก็เยอะมากเหมือนกันเรื่องนางสามาวดีนี่เกี่ยวขอย้องอะไรเยอะมากเนี่ยเป็นตัวละครที่โดดเด่นในธรรมบทเหมือนกันเนีเรื่องหนึ่งเนี่ยในเรื่อง ที่อาจารย์วัสินในเขียนในพุทธจริยานเนี่ยก็จะเล่ารายละเอียดเยอ ะ, ะตั้งแต่พระเจ้าจันทประโชดนี่ซึ่งเป็นพระบิดาของพระมเหสีองค์หนึ่งเนี่ยจนพระเจ้าอุเทนถูกจับ จนได้ลูกสาวมาเป็นพระมเหสีนั่นแหละแล้ต่อมาก็มาได้สามาวดีนามาคันทิยาเนี่ยแต่คนแรกก็ไม่มีบทบาทอะไรเท่าไรเกี่ยวกับเรื่องในความไม่ประมาทนี้มีแต่ผู้ที่จองกำจองเวรอาคาตกันอยู่ก็คือนางมาคันธิยาสามาวดีเนี่ย ถ้ามองย้อนไปในเรื่องกรรมก็น่าคิดเนาะกรรมมันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนเหลือเกินเนี่ถึงว่าเป็นอจินไตรจริงๆ่ถ้าคนธรรมดาอย่างเราเราไปคิดคิดแล้วมันก็ไม่ได้ลึกมองไม่เห็นเงื่อนงำที่ละเอียดนี่คิดได้แต่ผิวเผินแต่รายละเอียด จ ร, จริงๆนะก็คิดไม่ได้เหมือนกันคิดไม่ถึงเหมือนกันนีพระโตองค์จึงตัดว่าเป็นอจินไตรเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้เนี่ยคนธรรมดาเนี่ยทั่วไปเนี่ยรู้ได้ยากเนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องสลับซับซ้อนเนี่ยโล ก, กอจิยไตรเนี่ยเรื่องโลกก็เหมือนกันเนี่ยเรื่องคิดแล้วคิดอีกคิดจนตายมันก็ไม่กระจ่างเหมือนกันเนะ่ย มันได้แต่โอ้ยมันเป็นได้อย่างไงเนาะมันเป็นได้นาะบางคนก็บอกว่ามันจะเป็นได้อย่างไรเนะี่ยแต่มันก็เป็นไปแล้วเนะีนั่นคือโลกกวิสัยธรรมชาติที่บรรเหลือวิสัยเนะี่ยสัตว์บางเหล่าบางประเภทเราไม่คิดว่ามันจะมีได้แต่มันก็มีเนะี่ยฉะนั้นสิ่งที่เราสัมผัสเราเห็นในเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองเนี่ยเสี้ยวหนึ่งเสี้ยวนิดเดียวเท่านั้นเนะี่ยสิ่งที่เราไม่รู้เน่ยมันมากเหลือเกินเนะี่ย ท่านถึงไม่ให้ปฏิเสธไงอย่าสำคัญว่าตนรู้มีทิฏฐิสำคัญผิดเนี่ยจริงๆความรู้ของตนเองมันแคบนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วความรู้ที่เราหลงดีใจไปกับเขาเนี่ยจริงๆจะเป็นความรู้นิดเดียวเท่านั้นถ้าเทียบกับความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือสัพพัญญุพุท ธ, ธะนี่ จะรู้เรื่องที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่จะเพื่ออำนนยความสะดวกในวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาภูมิใจดีใจว่าสามารถไปถึงดวงเดือนดวงดาวได้เนี่ยก็ไม่อัศจรรย์เแม่อัศจรรย์เนี่ยถ้ามาถึงพุทธธรรมเนี่ยคำสอนพระุทธเจ้ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์เลยเนี่ยเพราะว่าพระองค์ได้ทรงรู้มาก่อนแล้วเนี่ยโลกนี้โลกหน้าโลกอื่นจักรวาลอื่นเนี่ย จนวิทยาศาสตร์มันงงเลยแหละงงแล้วรู้ได้อย่างไรสมัยโน้นเนะี่ยยิ่งมาพบพุทธศาสนาเนาะอย่างอะไรไอสไตล์เนี่ยยอมรับเลยเมันเป็นหลักเหตุผลเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าศึกษานถ้าให้เขาเลือกนับถือศาสนาเขาต้องนับถือศาสนาพุทธเข า, าอาจ่างั้นเพราะว่ามันเป็นศาสนาเหตุผลเข้าได้กับวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์มันตามไม่ทันพุทธศาสตร์เนี่ย เคยเล่าให้ฟังอยู planet, ่เรื่อยๆว่ามีนักวิทยาศาสตร์ไปถามหลวงพ่อชาย้ว่าหลวงพ่อพุทธศาสตร์เนี่ยที่ว่ามีความรู้แต่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์เนี่ยเพราะมันเป็นนามธรรมเนาะแต่วิทยาศาสตร์นี้พิสูจน์ได้ทุกอย่างเนี่ยทำอะไรมาก็พิสูจน์ได้เห็นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำขึ้นมาเป็นรูปธรรมเห็นสัมผัสได้ด้วยตาแต่ว่าพุทธศาสตร์เนี่ย ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นพยานหลักฐานมันหาไม่เจอได้แต่พูดกันทำรรมะก็ได้แต่พูดเป็นนา ม, มาทำไม่มีตัวตนไม่รู้จะเอาอะไรนยอย่างคนบรรุ น, นบนรรุนีไม่ไม่รู้เอาอะไรมาเป็นเครื่องหมายไม่ไม่ได้ติดบ้างติดอะไรเหมือนตำแหน่งนี่นี่มันก็เลยไม่รู้ท่านก็ท่านก็เก่งนะหลวงปภาษาเนี่พอถามแล้วเมื่อเขามีความคิดอย่างนี้หลวงพ่อจะตอบอย่างไรใช่ไหม ท่านไม่ได้คิดมากเลยแนตะ่ว่าโอ้พวกเราแขนสั้นแขนมันสั้นนั่นบอกแต่พุทธศาสตร์นั้นรูมันลึกแต่แขนเราสั้นพุทธศาสตร์นั้นลึกกว่านั้นท่านลึกกว่านั้นคือเราต้องศึกษาอีกมันลึกกว่านั้นลึกเกินกว่าที่เราจะรู้ได้นะเราต้องศึกษาศึกษาไปอีกท่านว่างั้นนะที่คุณมองไม่เห็นคิดว่าไม่มี คุณก็คิดว่าความคิดนี้ถูกเลยท่านก็บอกเอกว่าเหมือนสายตาของเรามีขอบเขตจํากัดนยสายตามันมีขอบเขตจํากั ด, กดคนสายตาสั้นตายาวอีกต่างหากแม้ยาวก็มีขอบเขตจํากัดเนยท่านบอกว่าเคยเห็นเครื่องบินบินมาไหมเพราะว่าบินมาแล้วก็เห็นใช่ไหมแล้วมองไปเรื่อยๆบินไปบินไปบินไปสุดท้ายมองไม่เห็นเลยเนี่เมื่อมองไม่เห็นเนี่ยจะถามว่าเครื่องบินไม่มีหรือ คุณจะตอบยังไงคุณจะตอบว่าไม่มีจะถูกไหม <c oughs> หรือว่ามีจะถูกไหมถ้าว่ามีทำไมมองไม่เห็นละ่ะ <c oughs> หรือว่าถ้าว่าไม่มีแต่มันก็บินไปอยู่เรื่อยมันมีอยู่เนะี่นี่แหละคว่าสายตาเราสั้นหรือมือเราสั้นแต่รูมันลึกคำ่ า, าี้เขาก็พอใจนะโอ้โหหลวงพ่อนี่เก่งมากเลยเป็นกุศโลบายเขา ทําให้น่าคิดกับบอกน่าคิดเหมือนกับท้าทายให้มาศึกษาคุณอยากรู้มาศึกษาดิพุทธศาสตร์ลึกกว่านั้นลึกเกินกว่าความคิดที่คุณคิดก็แล้วกันละมาศึกษาโดยเฉพาะเรื่องจิตเนี่ยแค่เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานี่แหละเอาถ้าพูดให้ลึกขนาดกลางๆนี่เรื่องสมาธินี่คุณทําได้ขนาดไหนรู้สภาวะแห่งความสงบได้มากน้อยแค่ไหน คุณสามารถนั่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนได้ไหมนี่นั่งไม่กระดุกกระดิกเลยเนี่ยโดยการเข้าสมาธินี่ที่ว่าเข้าฌานเข้าอะไรเนี่ยเหมือนพระประิจิเกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ยคุณทําได้ไหมแต่พระพุทธเจ้าเคยตัดไว้นะนี่คนก็สรรเสริญว่าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าโกศนมีความสุขมากสวัสสุขมีบุญมากเนี่ยพระองค์ไม่ได้คอยตามนะถ้าว่าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าโกสนเป็นสุขนะถ้ามานั่งสมาธิให้สงบ ห้านาทีได้ไหมระหว่างเรากับพระราชาเนะี่ยใครจะมีสุขกว่ากันเนะี่ยเรานี่นั่งนั่งตลอดคืนก็ได้พระพุทธเจ้าไว้งีนนะ้ยน่ยนั่งสวยสุขด้วยอุบเบกขาเนะี่ยอไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่ดับเวทนาอะไรนะี้อยู่ได้สบายเลยนะแล้วพ ร, พระราชาทําได้ไหมเนะี่ยทําไม่ได้เมื่อทําไม่ได้ใครมีสุขกว่ากันนะระหว่างเรากับพระราชาว่างี้ยอ่นั่นคือ เรื่องของความสงบแห่งจิตทีนี้ไม่กล่าวถึงว่าเรื่องความสงบกิเลสเนี่ยการที่จิตใจที่รูดพ้นจากกิเลสมันยิ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้ น, เ, นเกินกว่าวิสัยคนธรรมดาจะรู้ไดเ้เมื่อไม่รู้มันก็เลยต้องไหว้วนอยู่ในวัฏสงสารอยู่ในตัณหาตัณหามันมีแรงดึงไปมันหลุดออกไปไม่ได้อันนี้สิเป็นสิ่งที่อศัศจรรย์ ท่านจึงเรียกว่าอนุสาสนีอนุสาสนีในปาฏิหารมากเนี่ยแต่แต่ที่ปฏิหารคือคนปฏิบัติมันเห็นจริงเข้าถึงได้จริงหลุดพ้นได้จริงนี่จึงเป็นความสําคัญในศาสนาที่มีความลึกซึ้ง เ, เกินกว่าวิสัยคนธรรมดาจะรู้ได้จึงเรียกว่าเป็นอุตตรีมนุสธรรม เ, เป็นธรรมที่ยิ่งกว่าวิสัยธรรมดาของมนุษย์ที่จะรู้ได้นี่ เป็นแต่มนุษย์ผู้นั้นมาฝึกตนมาปฏิบัติตนมาเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจนกระทั่งเกิดปัญญารู้เห็นอนิจจังทุกขังนัตตาเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเข้าโซอริยสัตว์นั่นแหละเป็นปัจจิตตังแล้วไม่เอาเป็นตัวเป็นตนตมาแสดงให้ก็ไม่เห็นอีกแล้วถึงขนาดนั้นจะยกมาให้เห็นก็ไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นคนไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ไ ม, ไม่เห็นมันจะ จะทำยังไงเนี่ยแล้วจะเชื่อได้อย่างไรเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นปัจจิตังท่านว่าเอ้พราว่านิพพานเป็นสุขเนี่ยนิพพานเป็นสุขมันเป็นอย่างไรเป็นสุขเนี่ยลงภาษานะถ้าใครไปตอบเรื่องนี้เขาจะได้เป็นบ้ากับมันเนี่ยไม่รู้เรื่องคนตอบก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยตอบมันทําไมเนี่ยตอบแล้วก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยท่านก็บอกว่าเหมือนกับคนเนี่ยมันไม่รู้จักของหวานเลยเนี่ยไม่รู้จักของหวานเลยไม่ได้ลิ้มรสของหวานเลยเนี่ย พอก็พูดเรื่องความหวานนู้นหวานมันหวานเป็นสุกอย่างโน้นนี่มันก็มาถามว่าแล้วหวานมันเป็นอย่างไรไอหวานมันแล้วเราจะบายอย่างไรแล้วจะอธิบายว่าอย่างไงเนี่ยมันถามว่าหวานเนี่ยแม้เราเคยกินแล้วก็อย่างมากก็ตอบว่ามันหวานหวานเท่านั้นแหละนะรล้วหวานมันเป็นก็มันหวานหวานนึงผมตอบได้แค่นี้แล้วก็จะมีคําอธิบายนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยเมื่ออธิบายไม่ได้ก็หยิบกล้วยเข้าปากมันเท่านั้นแหละนี่หวานมันอยู่นี่เอาเข้าปากสิ กินเข้าไปตรงนี้แหละนะเนี่ยมื่อกินเข้าไปนะไม่ต้องถามเลยทีนี้วาอันเป็นอย่างไรนะเนี่ยนั่นคือสิ่งที่พิสูจน์ได้แม้ไม่มีตัวตนด้วยการสัมผัสสัมผัสด้วยการปฏิบัติด้วยตนเองนะเนี่ยกินด้วยตนเองปฏิบัติด้วยตนเองแล้วจะรู้รสเองนะเนี่ยนี่คือพระธรรมแม้ไม่มีตัวตนก็พิสูจน์ได้นะเนี่คือการกระทา คุณงามความดีต่างๆนั่นแหละมันไม่มีตัวไม่มีตนหรอกแต่มันก็แสดงออกให้เห็นได้นี่นี่แล้วก็อาศัยรู ป, ปรธรรมประกอบได้เหมือนกันนี่ปัญญาไม่ถึงปฏิเสธไม่ได้นี่ถึงบอกว่าต้องฝึกฝนอปัญญานี่ปัญญาโลกีปัญญาโลกุตระมันห่างไกลกันมากนี่ปัญญาโลกีมันยิ่งพอกพูนมันยิ่งหนายิ่งแน่นยิ่งทึบยิ่งมืดนี ยิ่งมองไม่เห็นนะเหมือนกระจกมันพลาอยู่แล้วนะก็ยิ่งเอาฝุ่นไปซัดเข้าไปซัดเข้าไปมันก็ยิ่งมืดยิ่งมองไม่เห็นอะไรยิ่งมืดเข้าไปนั่นคือความรู้ปัญญาทางโลกิยะเนี่ยแต่ถ้าปัญญาทางโลกุตระนี่เห็นมันฟ้ามันฟังแล้วก็พยายามขัดขัดเรื่อยๆเรียกว่าขัดเก่าขัดเก่าคัดแตเรื่อยๆขัดจนมันใส มันก็แปลงนะคนถ้าเห็นคุณค่าของความสะอาดยิ่งขยันเนี่ยขัดไปมันเห็นเห็นความสะอาดก็ยิ่งก็เพลิดเพลินโอ้ยใสดีนะสะอาดดีนะเหมือนเราขัดกระจกอนะขัดไปขัดไปเห็นความใสแล้วโอ้ยสวยงามดีครับความขยันก็เกิดขึ้นในตัวเนี่ยคนปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าของธรรมะเกิดความเย็นใจเกิดความเบาใจสบายใจกิเลสลดลงเนี่ยมันมีความสุขกับการปฏิบัติเนี่ยอยากจะให้มันหลุดอยากให้มันพ้นเนี่ยจาก อาสวะกิเลสซึ่งมันเป็นตัวบั่นทอนใหจิตใจนี่ต้องเกิดความเศร้าหมองและเป็นทุกข์เนี่ยคิดแล้วมก็จะมีความขยั น, นยโดยอัตโนมัติของมันนังคือเห็นคุณค่าของธรรมก็จะกลายเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยดังที่ภาสิทธที่กล่าวแล้วนั้นเนี่ยเมื่อเห็นคุณค่าของความไม่ประมาทแล้วก็ยึดในหลักธรรมคือความไม่ประมาทเนี่ยเหมือนเรื่องนางสามาวดีแม้เขาจะฆ่าก็ยัง ทำใจให้อยู่ในธรรมนี่แล้วก็ตนเองก็ยังบอกบริวารอีกด้วยนี่บอกว่าอย่าไปโกรธไปเคืองก็นะจงแผ่เมตตาจิตนี่เรานี่มันเคยตายเคยหมกไหมเคยถูกไฟเผามาหลายภพหลายชาติพวกกรรมที่เราเคยกระทำนี่อยากให้เราต้องมีกรรมในภพนี้ชาตินี้ต่อไปอีกเลยนี่ขอให้มันจบไปใช้กรรมไปเถอะนี่สอนบริวารพวกพ้องให้รับผลของกรรมมันก็เป็นการหยุดกรรมหรือหยุดการจองเวรจองกรรมกันอีก ไม่ต้องทำกรรมที่มันให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปนี่ก็สร้างแต่กรรมที่ให้ผลเป็นสุขก็ได้ผลไงก็ได้ผลนะสุดท้ายก็ได้บรรลุไงโสดาสกิทาอนาคาเนี่ยนั่นก็เพราะอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ก็คิดทั้งทำก็มีประโยชน์อย่างนี้แหละเ่วันนี้เอาแค่นี้เนาะสมควร